เรื่องเล่าจากพ่อตอนที่สองเสือสมิงสัมผัสสยองหลังจากลุงตาซึ่งเป็นพ่อของนิดแก่นและน้องปลาได้เล่าเรื่องสยองขวัญเรื่องแรกตอนที่ลุงตาไปทำงานในปา่า ให้ไ <intrins>. ด้ฟังกันแล้วมันก็ชวนให้ได้ตื่นเต้นกันเลยทีเดียวส่วนใครที่ยังไม่เคยฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังคลิปเรื่องเล่าจากพ่อตอนอาถันเจ้าป่าได้เมื่อตำรวจโทรศัพท์แจ้งให้พ่อของนิดทราบว่าพบเด็กคนหนึ่งที่มีรูปประพันธ์สันฐานคล้ายน้องแก่นซึ่งเป็นน้องของนิดที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนพ่อ จึงรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปดูว่าใช่น้องแกนหรือไม่ประมาณสี่ทุ่มกว่าๆพ่อก็กลับมานิดได้ยินพ่อบอกกับแม่ด้วยเสียงอันเศร้า ว, ว่าเด็กคนที่พ่อไปพบอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกนพ่อจาน้องแกนได้ดีแม้จะคล้ายกันมากแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่แกนของพวกเรา แม่น้อมพูดทั้งน้ำตากรอบเบ้าว่าโถลูกป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างพ่อกับแม่ปรอบใจกันและกันแม้จะผิดหวังแบบนี้มาหลายครั้งแต่พ่อกับแม่ก็ยังไม่ทอ้อพยายามตามหาแก่นทุกวิธีทางวันนี้เหนื่อยมากแล้วเราพักผ่อนกันก่อนเถอะพ่อบอกกับแม่แล้วก็พากันเข้านอนเย็นวันรุ่งขึ้น นิดกับน้องปลารีบช่วยกันล้างจานหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จโดยน้องตาคอยช่วยส่งจานและรับจานที่ล้างเสร็จไปเก็บไว้ที่ตะกร้าพักจานเสร็จแล้วเด็กทั้งสองรีบไปทวงสัญญาจากพอ่อที่บอกว่าถ้าทำงานเสร็จวันนี้พ่อตาจะเล่าเรื่องเสือสมิงให้ฟังนิดอยากฟังเรื่องเสือสมิงมาก เพราะเคยได้ยินแต่ชื่อเสือสมิงมาตั้งแต่จำความได้มันเป็นประโยคที่ผู้ใหญ่มักจะขู่เด็กๆไม่ให้เล่นสุกสนหรือร้องไห้ตอนกลางคืนว่าเดี๋ยวเสือสมิงจะมาฆ่าไปกินนะพ่อของนิดจึงบอกให้ไปนั่งล้อมวงที่นอกชาญเหมือนเช่นเคยโดยมีน้องปลานั่งบนตักแม่น้อมแล้วพ่อก็เริ่มเล่าเรื่องว่า ตอนที่พ่อไปทำงานช่วยตัดกิ่งไม้ที่บ้านของตาอุ่นซึ่งเคยเป็นนายพรานสมัยที่ยังหนุ่มๆแก้วหนังสัตว์และหัวสัตว์ต่างๆแขวนตกแต่งเต็มผนังบ้านไปหมดช่วงที่พ่อไปนั่งพักจากการตัดกิ่งไม้ตาอุ่นก็ชวนพ่อไปดูของสะสมของแกโดยชี้ดูหนังเสือโครงที่มีขนาดใหญ่มากมันถูกขึงไว้จนเกือบจะเต็มผนังห้องด้านหนึ่งเลยทีเดียว พ่อเห็นแล้วยังตกใจเลยว่าหนังเสือใหญ่ขนาดนี้แกไปได้มาได้ยังไงแต่เหมือนแกจะเดาใจพ่อถูกตาอุ่นเลยบอกว่าที่เห็นอยู่นั้นเป็นหนังของเสือสมิงที่ตาอุ่นกับพ่อของภรรยาล่าได้ในป่าตอนไปส่องสัตว์พ่อเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าไม่คิดว่าเสือสมิงจะมีจริงแต่ตาอุ่นเป็นคนพูดจาไรตรงตรง ดูจากนิสัยของตาอุ่นแล้วเรื่องที่แกบอกก็น่าเชื่อถือได้อยู่ไม่น้อยตาอุ่นเล่าว่าเมื่อตอนที่แกยังเป็นนายอุ่นสมัยหนุ่มๆแกอายอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆล้ลอมรอบไปด้วยภูเขาในบ้านก็จะมีแกภรรยาที่กำลังตั้งท้องแกชื่อแก้วน้องชายของภรรยาชื่อดีแล้วก็พ่อของภรรยาชื่อส่ง รวมแล้วอยู่ด้วยกันสี่คนเช้าวันหนึ่งตอนที่่นกับดีกำลังช่วยกันทําสวนก็มีลุงที่อยู่บ้านใกล้ๆ ก, กันมาเรียกให้ไปช่วยตามหาเด็กผู้หญิงอายุสิบเขวบเธอชื่อฝนได้หายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานลุงคนนั้นบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นฝนกับเด็กๆในหมู่บ้านไปเล่นซ่อนแอบกันแถวแถวชายป่า แต่ฝนไม่ได้กลับบ้านแม่ของฝนพยายามตามหาคิดว่าไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนแต่ก็ไม่เจอจนเช้าวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเลยให้ช่วยกันเกณฑ์คนออกไปตามหากันอีกลุงก็เลยมาเรียกหนุ่มทั้งคู่ให้ไปช่วยกันอีกแรงอุ่นกับดีจึงออกไปช่วยตามหาเด็กผู้หญิงแถวแถวชายป่าซึ่งมีชาวบ้านคนอื่น ช่วยกันตามหาอยู่ก่อนแล้วด้วยที่อุ่นเป็นพรานจึงตามรอยจากกรงที่เด็กๆเล่นซ่อนแอบกันแล้วเดินลึกเข้าไปในป่าอุ่นสังเกตเห็นรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เมื่อตามรอยเท้านั้นไปก็พบร่างไร้วิญญาณของฝนนอนตายใกล้ต้นไม้ใหญ่มีร่องรอยของสัตว์ขนาดใหญ่ใช้กรงเล็บตะปบแล้วฉีกถึงกัดกินเนื้อจนเห็นกระดู อุ่นกับดีก็รีบไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบแม่ของฝนที่อยู่บริเวณนั้นมาได้ยินข่าวพอดีเมื่อได้ฟังข่าวร้ายของลูกก็ตกใจสุดขีดร้องไห้จนเป็นลมล้มทั้งยืนหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้ฝนและเตือนกันให้ระวังเสือร้ายที่กินคนอย่างเหี้ยมโหด เพราะอาจจะยังอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านทั้งๆ ท, ที่ชาวบ้านระมัดระวังตัวกันอย่างดีแล้วแต่คนในหมู่บ้านก็เริ่มหายไปทีละคนสองคนบางครอบครัวทนอยู่กับความหวาดกลัวไม่ไหวเก็บข้าวของย้ายไปขอใส่บ้านญาติที่อยู่หมู่บ้านอื่นก็มีส่วนคนไหนที่ไม่มีที่จะไปก็ได้แต่ภาวนา ขออย่าให้เสือจับตัวไปกินได้เพียงเท่านั้นส่วนอุ่นหลังจากที่เห็นรอยเท้าเสือในวันนั้นก็ไปบอกตาส่งพ่อของภรรยาที่เป็นพรานเหมือนกันปกติทั้งสองมักจะไปล่าสัตว์ในป่าเพื่อนำมาเป็นอาหารวันไหนที่หาได้มากมีเหลือก็จะไปขายบ้างแต่พักนี้สัตว์ป่าหายาก อุ่นจึงต้องพันตัวมาช่วยดีทำสวนแต่เมื่อเห็นรอยเท้าเสือจึงเข้าใจสาเหตุและคิดว่าพวกสัตว์คงจะหนีเสือไปอยู่ป่าอื่นเวลาอุ่นกับตาส่งออกไปล่าสัตว์จึงกลับบ้านมือเปล่าบ่อยๆอุ่นพาตาส่งไปดูยังสถานที่นั้นเมื่อตาส่งได้เห็นรอยเท้าที่อุ่นพาไปดูก็มั่นใจเลยว่าเป็นรอยเท้าเสือโครงตัวใหญ่ มันก็คงหาอาหารในป่ายากเหมือนกันจนลุกล้ำเข้ามาใกล้หมู่บ้านแล้วจับคนไปกินตาส่งจึงให้อุ่นช่วยทำลูกธนูหน้าไม้ขนาดใหญ่ไว้หลายอันจะได้ยิงสู่ตอนเจอสัตว์นักล่าตัวใหญ่นี้เพพ่อของนิดเล่ามาถึงตรงนี้นิดเริ่มรู้สึกง่วงนอนแต่ก็ยังอยากจะฟังเรื่องต่อไป จึงขยับตัวไปนั่งไกลพอแล้วเอยนตัวลงนอนเอาหัวหนุนบนตักก่อนที่นิดจะหลับตาลงพ่อก็กลมหน้ามามองแล้วส่งยิ้มให้ส่วนหูของนิดก็ยังฟังเรื่องที่พ่อเล่าต่อคืนหนึ่งอุลละตาส่งก็เข้าป่าไปส่องสัตว์ซึ่งตอนกลางวันทั้งสองได้ช่วยกันทำนั่งร้านไว้บนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ดินโปง่ง พอครบคําอุลลตาส่งก็พากันมาดักรอสัตว์บนนั่งร้านที่เรียกว่านั่งห้างเพื่อคอยสัตว์ที่จะมากินดินโป่งพอสัตว์กินดินที่มีเกลือก็เกิดอาการคอแหง้งแล้วก็จะลงไปกินน้ําที่หนองน้ําไกลๆอุลลตาส่งที่แอบซุ่มอยู่บนต้นไม้ก็จะยิงธนูหน้าไม้ไปที่สัตว์เหล่านั้นนั่นคือแผนการที่ทั้งสองได้วางเอาไว้ แต่คืนนี้ไม่เหมือนคืนอื่นๆเวลาผ่านไปนานแล้วแต่ก็ไม่มีสัตว์สักตัวมาดื่มน้าที่หนองเลยขณะที่เฝ้ารออยู่ก็ได้ยินเสียงย่ำใบไม้ดังออกมาจากพุ่มไม้ไกลๆอุ่นกระชับหน้าไม้เตรียมยิงเดชา บ, บุญที่ยังไม่ได้ล่าไกเพราะแทนที่จะเป็นสัตว์กลับเป็นเจ้าดีวิ่งกระหืดกระหอบออกมาแล้วตะโกนว่า พี่อุ่นพี่อุ่นรีบกลับบ้านด่วนเลยพี่แก้วกำลังเจ็บท้องจะคลอดแล้วฉันเองก็จะรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้แหละแล้วดีก็หันหลังวิ่งหายเข้าไปในป่าอุ่นดีใจอยากเห็นหน้าลูกขณะที่กำลังจะลงจากห่างเพื่อกลับบ้านแต่ตาส่งก็พูดกันมาว่าดีมันรู้ได้ไงวะว่าเรานั่งห้างกันตรงนี้ ตอนกลางวันที่เรามามันก็ทำสวนอยู่ที่บ้านนี่อุ่นเอจใจเห็นด้วยกับที่ตาส่งพูดที่นี่มันในป่าดีไม่น่าจะเดินมาได้โดยไม่มีตะเกียงให้แสงสว่างตาส่งจึงบอกว่าอดทนรอจนพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับบ้านถ้าแก้วจะคลอดจริงๆดีคงไปหาคนช่วยได้อยู่แล้วอุ่นคมใจเฝ้ารอใหถึงเช้า ทั้งสองนั่งห่างกันทั้งคืนแต่ไม่มีสัตว์ให้ล่า ก, กลับบ้านได้เลยรุ่งเช้าอุ่นก็รีบกลับบ้านพร้อมตาส่งพอถึงบ้านก็เห็นแก้วที่กำลังอุ้มท้องเดินอยู่หน้าบ้านไม่มีทีท่าว่าจะคลอดเลยส่วนดีก็พาฟื้นอยู่ไกลๆอุ่นจึงเดินไปหาแล้วถามว่าเมื่อคืนไปเรียกฆ่ากลับบ้านหรือเปลาดีตอบว่าเปล่านะพี่ ทำไมหรออ้าวเมื่อคืนเองไปเรียกข้าตอนที่กำลังนั่งห้างอยู่บอกว่าแก้วจะคลอดให้ข้ารีบกลับบ้านพ่ออุ่นคิดได้ก็ชะงักเพราะเข้าใจแล้วว่าเมื่อคืนคงไม่ใช่ดีที่ไปเรียกถ้าอย่างนั้นแล้วจะเป็นใครละ่ะแก้วเห็นทั้งสามยืนคุยกันหน้าตาจริงจังจึงเดินเข้ามาสมทบที่วงสนทนา ตาทรงเอามือรูปคางแล้วพูดว่าคงเป็นเสือสมิงล่อให้เราลงจากห้างทั้งอุ่นแก้วและดีทำตาโตด้วยความตกใจตาทรงพูดต่อถ้าเสือมันได้กินคนมากๆวิญญาณของคนที่มันกินจะเข้าไปสิงร่างเสือนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงสามารถแปลงกายเป็นคนมันหลอกล่อให้หลงไปเป็นเหยื่อของมัน อุ่นบอกว่าถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราก็นั่งห้างเตรียมล่าเสือสมิงกันเมื่อตาส่งได้ยินก็ใส่หน้าใช้อาวุธธรรมดาฆ่ามันไม่ตายหรอกต้องเป็นอาวุธที่ลงคาถาอาคมแต่บ้านป่าแบบนี้จะไปหาวุธลงอาคมที่ไหนนอกเสียจากว่าเราจะรู้จุดอ่อนของมันถึงจะฆ่ามันได้สำเร็จ ขณะที่นิดหลับตาฟังพ่อเล่าเพลินๆก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมานอนสุกอยู่ข้างกายและเอาสีสันนุนท้องของเธอแต่นิดไม่ได้ลืมตาขึ้นมามองอีกทั้งยังนึกขำในใจว่าสงสัยน้องปลากลัวเรื่องที่พ่อเล่าจึงมานอนใกล้ๆเธอแล้วนิดก็นอนฟังพ่อเล่าเรื่องต่อคืนต่อมา อุ่นและตาส่งก็ออกไปนั่งห้างกันอีกเพราะอาหารที่สะสมไว้ร้อยล้อเกือบหมดแล้วคืนนี้ก็เช่นเคยป่าเงียบแทบจะเหมือนกับป่าช้าไม่มีเสียงสัตว์ที่ออกมาหากินเลยพันใดนั้นเองเมื่ออุ่นมองลงไปที่พื้นก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเดินแบกกรดและสัมภาระมุ่งตรงมาที่ต้นไม้ใหญ่เมื่อเข้ามาใกล้พระจึงพูดขึ้นมาว่า พอหนุม่มอาจตมาเดินทูดงผ่านมาบริเวณนี้พอดีอยากจะตั้งกรดพักแรมขอพ่อหนุม่มลงมาช่วยปักกรดด้วยนะอุ่นก็คิดด้วยใจกุศลว่าพระคงต้องการความช่วยเหลือจริงๆจึงทํท่าจะลงไปช่วยแต่ตาส่งก็ฉุดแขนอุ่นเอาไว้และบอกว่าอย่าพึ่งลงไปดูให้แน่ใจก่อนว่าเป็นพระจริงหรือเปล่าลองมองที่แววตา ถ้าเป็นเสือสมิงดวงตาจะแข็งกระด้างไร้แววแต่ตอนนั้นเป็นเวลาพลบคำจึงมองแววตาของพระไม่ถนัดนักพระรูปนั้นยืนนิ่งอยู่เบื้องหลังอุ่นมองแล้วก็รู้สึกกลัวจนขนลุกบรรยากาศโดยรอบเย็นยเยือกในขณะที่อุ่นขยับตัวเปลี่ยนท่านั่งอยู่ๆนั่งร้านฟังที่ตาส่งนางก็หักเสียงดังสนัน่น ตาส่งเสียหลักพลัดตกลงไปแต่คว้ากิ่งไม้ข้างล่างไว้ได้ทันอุ่นเห็นพระรูปนั้นเดินเข้าไปใกล้าตาส่งที่โหนกิ่งไม้อยู่เท้าของตาส่งอยู่เหนือพื้นดินไม่ถึงสองเมตรเมื่อพระเดินขามาใกล้พร้อมกับเงยหน้าขึ้นมาตาส่งก็เห็นแววตาของพระรูปนั้นได้อย่างชัดเจนจึงรีบตะโกนทันทีว่า มันไม่มีแววตามันเป็นเสือสมิงอุ่นตกใจเล็งหน้าไม้ไปที่พระแต่ยังไม่กล้ายิงรัวว่าอาจจะเป็นพระจริงๆตาทรงพยายามโหนกิ่งไม้เพื่อรักษาชีวิตแต่ก็คงยื้อไว้ได้อีกไม่นานเพราะพระรูปนั้นเริ่มเร่งปีเท้าใกล้เข้ามาทุกทีถ้ากลายร่างเป็นเสือสมิงคงกระโจนถึงตัวแกได้อย่างรวดเร็ว ตาส่งหลับตาสวดภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายแต่ชะตาคงยังไม่ถึงคาดเพราะมีนกตัวหนึ่งบินโฉบลงมากอดที่ปลายกฎดของพระพอดีพระรูปนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดสะบักดกรดจนนกบินหนีไปอุ่นเห็นอย่างนั้นก็แปลกใจว่าแค่นกเกาะปลายกรดทำไมพระถึงเจ็บได้ ถ้าเป็นพระจริงๆแม้จะถูกยิงที่กรดก็คงไม่เป็นไรอุ่นจึงเล็งหน้าไม้ไปที่ปลายกรดแล้วลั่นไกยิงทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงวีดร้องอย่างหวยหวนพรันพระรูปนั้นก็กลายร่างเป็นเสือตัวใหญ่กระโจนหายเข้าไปในป่าอุ่นตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาส่งปล่อยกิ่งไม้ทิ้งร่างให้ตกกลิ้งไปบนพื้น ด้วยความสูงเพียงเท่านี้ก็เลยไม่ทำให้ตาส่งเป็นอะไรมากมีเพียงรอยกิ่งไม้ข่วนและปวดหัวเข่าที่กระแทกกับพื้นเท่านั้นแล้วอุ่นก็โยนเชือกให้ตาส่งปีนกลับขึ้นมาพอได้กลับมานั่งบนห้างอย่างปลอดภัยตาส่งก็ยกมือไหว้พระที่บูชาเพื่อเรียกขวัญตัวเองกลับมาอุ่นเห็นแล้วก็ยกมือไหว้ตาม ทั้งสองเฝ้ารอบนต้นไม้ทั้งคืนจนรุ่งเช้าอุ่นกับตาสงก็ลงจากห้างแล้วเดินทางกลับบ้านแบบมือเปล่าไม่ได้สัตว์สักตัวขณะที่เดินมาตามทางทั้งสองก็เห็นลอยเลือดยดไหลเป็นทางเข้าไปในพุ่มไม้จึงตามลอยเลือดนั้นไปอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเสือลายพาดกรอน ตัวเมื่อหึมานอนตายจมกองเลือดอยู่ที่หน้าผากมีลูกธนูหน้าไม้จอกกะโหลทะลุไปข้างหลังไม่ได้เนื้อสัตว์แต่ได้หนังเสือกลับบ้านก็ยังดีอุ่นพูดแล้วยิ้มให้กับตาส่งแล้วหนังเสือตัวนั้นอุ่นจึงได้เอามาแขวนผนังหลังจากที่ย้ายออกจากหมู่บ้านนั้นมาแล้วหลายปีพ่อพ่อเล่าเรื่องจบ ก็บอกให้ทุกคนไปนอนได้นิดจึงบอกให้น้องปลาที่นอนซุกอยู่ไกลๆให้ไปนอนได้แล้วเธอรู้สึกว่าน้องลูกออกไปจากที่นอนหนุนท้องของเธอเพราะนิดลืมตาขึ้นก็เห็นน้องปลานอนหลับปุ๋ยอยู่บนตักของแม่นอมนิดก็งงแล้วคิดว่าตัวเองคงเผลอหลับไปเลยละเมอว่าใครมานอนข้าง จากนั้นนิดก็เข้าห้องน้ําไปแปลงฟันแล้วเข้านอนพรุ่งนี้นิดจะได้ฟังเรื่องจากพ่ออีกหนึ่งเรื่องก่อนที่พ่อจะไปทํางานต่างจังหวัดกับเพื่อนๆไปคราวนี้ก็อีกเป็นเดือนกว่าพ่อจะกลับนิดคงจะคิดถึงพ่อหน้าดูเธอนึกอะไรเพลินๆแล้วก็พล่อยหลับไป หัดสยอง